ก, ก, ลกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกลุ่มกบในสระน้ำสวยๆพวกมันมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันพวกมันเล่นกันและช่วยกันในทุกเรื่องถึงอย่างนั้นพวกมันหน้าตาไม่เหมือนกันตัวหนึ่งตัวผอมที่สุดมันสามารถกระโดดขึ้นหินที่สูงที่สุดได้อีกตัวก็ตัวเร็วที่สุดมันสามารถจับมแมลงได้ จนตัวอื่นมองไม่ทันหลังจากนั้นก็มีตัวชื่อแม็กซ์มันตัวใหญ่ที่สุดทุกวันมันจะกินมแมลงเป็นสิ บ, สบสิบตัวกบตัวอื่นๆจะกลัวเขาเสมอเพราะว่าเขาตัวใหญ่แต่แม็กซ์ชอบความสนใจเขาภูมิใจกับขนาดของตัวเองและชอบล้ อ, อ ก, กอบตัวเล็กกว่าอ นายกระโดดได้สูงที่สุดอย่างนั้นเหรอแสดงว่านายวิ่งได้เร็วกว่าสัตว์ที่จะโจมตีนายอย่างนั้นเหรอก็ดีนะแต่ฉันไม่ต้องการทักษะแบบนั้นไม่มีใครตัวใหญ่เท่าฉันนายคิดไหมว่าไม่มีใครตัวใหญ่เท่าแม็กซ์เลยเราจะรู้ได้ยังไงเรายังไม่เคยเห็นตัวใหญ่กว่านี้เลยเพราะว่าแอ่งน้ำอยู่ลึกเข้าไปในป่าเลยไม่มีสัตว์เข้าไปดื่มน้าที่นั่นเท่าไหร่ ทุคนเลยคิดว่าแม็กซ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแม็กซ์ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอืฉันโชคดีมากที่ตัวใหญ่ที่สุดแม็กซ์มีลูกน้อยสี่ตัวพวกมันเล่นใกล้แอ่งน้ํากับกลบตัวอื่นเสมอเอ๊ไปเล่นหลังต้นไม้นั่นกันตรงนั้นมีหินใหญ่หลายก้อนเลยนะเออฉันไม่ไปดีกว่าแม่บอกให้ฉันเล่นตรงนี้เท่านั้น โอ้ไม่เอาหน้าพ่อฉันหนะ้าัวใหญ่ที่สุดไม่ต้องห่วงนะเรานะ้จะเรียกพ่อมาถ้าเราเจอปัญหาเออไม่รู้สิเดี๋ยวแม่ดุฉันเอาไม่ต้องห่วงถ้าแม่นายว่านายเราจะบอกให้พ่อเราไปเคลียร์ให้แม่เธอไม่ด่าเธอแน่ อ, อโอเคไปกันเถอะโดยไม่เสียเวลาเด ก็กระโดดไปอีกฝั่งของแอ่งน้ําหลังต้นไม้ใหญ่พวกเขาแปลกใจมากที่ได้เห็นแอ่งน้ําเล็กๆอีกแห่งหนึ่งโอ้ดูนั่นสิมีแอ่งน้ําอีกแอ่งด้วยฉันคิดว่าบนโลกนี้มีแอ่งน้ําแอ่งเดียวซะ อ, อีเราไม่ควรจะคิดแบบนั้นนะมีอะไรอีกมากมายที่ตาเรานะี่ยไม่เห็นโลกนี้เนะี่ยใหญ่จะตายไปจะพูดมากอีกน้อยไม่เนี่ยไปเล่นกันเถอะ พวกมันกระโดดไปที่หินก้อนสูงสุด ต, ตามกันไปและกระโดดลงไปในบ่อด้วยเสียงดังอยู่ดีๆพื้นก็เริ่มสัน oh ่นโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมเพื่อถึงสั่นล่ะ ได้เห็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆเดินผ่านที่แอ่งน้ำมันตัวสูงเท่าหินก้อนใหญ่ที่สุดเขาขมันสั่นไหวเมื่อมันเดินถุกก้าวและมันทำเสียงดังเด็กๆรีบออกจากที่นั่นเพื่อกลับบ้านอนนนกอบน้อยตัวสีแดงลื่นตกลงไปที่แอ่งน้ำโอ้ไม่นะเดี๋ยวก่อนออกมาเดี๋ยวโดนกินนะ นี่เออาไวอไยว้อะไรกันเหรอพวกนายคือใครฉันไม่เคยเห็นพวกนายมาก่อนเลยอ๋อขอละ ว, ว่าตัวใหญ่ขอละแต่ ก, กินฉันเลยนะอะไรนะกินเหรอฮฮฮฮฉันจะไปกินเธอทำไมกันเล่าฉันมาดื่มน้ำแค่นั้น โอ้ oh. แสดงวัานายจะไม่โจมตีเราเหรอไม่เลยไม่ฉันไม่กินกบแล้วนายกินอะไรละ่ะทาไมนายตัวใหญ่ขนาดนั้นวันหนึ่งพ่อฉันนะ่ะกินมแมลงตั้งหลายตัวแต่เขายังตัวใหญ่ไม่เท่าครึ่งของนายเลยนะ oh. พ่อนายเหรอหมายถึงกบนั่นเหร อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ เขาไม่มีทางตัวใหญ่เท่าฉันหรอกฉันเกิดมาก็ตัวเท่านี้แล้วสัตว์ทุกชนิดมีขนาดของตัวเองแสดงว่ามีสัตว์อื่นที่ตัวใหญ่กว่านายหรอแน่นอนเด็กๆแปลกใจมากที่ได้ยินเรื่องราวของสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าบัวพวกเขานั่งฟังเป็นชั่วโมงฟังเรื่องราวของสัตว์เหล่านั้น ไม่นานก็ตกคํำและพวกเขาก็ต้องบอกลาเพื่อนใหม่รีบกลับบ้านกันเถอะฉันมีเรื่องจะเล่าให้พ่อฟังมากมายเลยไปกันเลยใช่ทุกคนรีบกลับไปหาแม็กซ์และเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม็กซ์ฟังเรื่องราวมันน่าสนใจมากจนกบทุกตัวมารวมตัวฟังโอ้โพวกลูกน้อยไร้เดียงสา พวกลูกเพิงบอกว่ามีคนชื่อวัวที่ตัวใหญ่กว่าพ่ อ, อยังงั้นเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะพ่อเขาบอกว่าโลกนี้มีสัตว์ตัวใหญ่กว่าเขาอีกพวกนั้นไปที่บ่อน้ำนั่นเพื่อไปดื่มน้ำใช่ใช่แล้วและเขาก็บอกว่าพ่อไม่มีทางตัวใหญ่เท่าเขาบันบ้ามากเลย ใครกันจะใหญ่เท่าพ่อได้เขาหลอกพวกลูกเขาน่าจะทำให้ตัวพองเพื่อโกหกว่าเขาตัวใหญ่เขาโกหกมันอาจจะจริงก็ได้นะแม็กซ์ฉันคุยกับนกที่มากินน้ำที่นี่ตลอดฉันได้ยินเรื่องราวของสัตว์เอิมากมายมันจะเป็นความผิดของเราที่คิดว่าเราตัวใหญ่ นั่นแหละผิดไม่ใช่ฉันฉันเป็นสิ่งที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือความจริงทำไมเราไม่รอจนถึงเช้าแล้วไปดูกับตาเล่าเด็กๆบอกว่าสัตว์พวกนั้นไปกินน้ำที่นั่นเราจะไปที่นั่นเพื่อไปหาความจริงทุกคนเห็นด้วยแต่แม็กซ์หัวเสียมากเขาจะพิสูจน์ว่าเขาตัวใหญ่ที่สุดไม่อย่างนั้น จะไม่มีใครเคารพเขาอีกไม่เราจะตัดสินกันตอนนี้เลยไม่มีใครหลอกฉันได้วัว น, นั่นคิดว่าจะโกหกแล้วรอดไปได้ง่ายๆเขากล้าพูดได้ยังไงว่าฉันไม่มีทางใหญ่เท่าเขาแม็กซ์ยืนขึ้นมายืดหลังและยืนตรงหลังจากนั้นเขาทําท้องป่องทาให้ตัวใหญ่ขึ้นบอกมาสิเขาตัวใหญ่เท่านี้ไหม ไม่ใหญ่กว่านั้นอีกพอ่อหลังจากนั้นแม็กซ์ก็ทําให้ตัวเองป่องมากขึ้นเขาใหญ่เท่านี้หรือเปล่าไม่ใหญ่กว่านั้นแม็กซ์นายไม่ต้องทําแบบนี้สัตว์ทุกตัวเก่งต่างกันฉันมั่นใจว่าเพราะว่าเขาตัวใหญ่เขาเลยกระโดดแบบเราไม่ได้ใช่ไหมหยุ ด, ด่อยแล้วเดี๋ยวจะเจ็บตัวแต่แม็กไม่ยอมหยุดเขาไม่ฟังคาแนะนาของเพื่อน เขาได้ยินแต่คําว่าตัวใหญ่เท่าบัวเขาเลยอยากตัวใหญ่เท่าบัวเขาไม่ฟังใครเขาเริ่มทําให้ท้องป่องมากขึ้นเขาตัวใหญ่เท่านี้หรือเปล่าไม่พ่อใหญ่กว่านั้นอีกตอนนี้แม็กซ์ปวดหลังแต่เขายังทําตัวป่องอีกเขาตัวใหญ่เท่านี้หรือเปล่าใหญ่กว่านี้อีก หน้าแม็กซ์เริ่มชำ้ำเขาตัวเริ่มงอตาเขาเริ่มโปนเขาตัวใหญ่เท่านี้หรือเปล่าแม็กซ์หยุดนายกำลังทำตัวเองเจ็บตัวบอก่อว่าเขาตัวใหญ่เท่านี้หรือเปล่าไม่พอ่อใหญ่กว่านี้อีกพูดถูกแม็กซ์ทำตัวเองเจ็บเขาเริ่มปวดหลังตาเริ่มโปน และท้องเขาเจ็บเพราะการตัวพองเขาไม่ยอมแพ้เขาต้องพิสูจน์ว่าตัวเขาใหญ่ที่สุดเขาหายใจลึกๆและเขาก็ทำตัวพองมากขึ้นไม่พอ่อไม่นะพ่อไม่นะพ่อ ไม่นะพ่อแต่มันสายเกินไปแม็กซ์ทำให้ตัวเองท้องป่องเกินกว่าจะรับไหวจนท้องระเบิดลูกของเขาร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกคนเศร้ามากแม็กซ์เอ้ย ถ้านายฟังเรานะเราใหญ่ได้ในแบบของเราเองอย่าพยายามเป็นเหมือนคนอื่นเลย